ความหลังในสังสารบทที่สิบแปดสมเด็จพระพหลรัตวัดปากแก้วพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างตอนกลางวันพระจันทร์ทอแสงอรารามยามกลางคืน พระอาทิตย์กับพระจันทร์ผลัดกันลงผลัดกันขึ้นเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแล้วเวลาก็ล่วงเลยไปอีกหนึ่งปีโดยที่บางคนไม่ได้สร้างความดีไว้ให้เป็นกําไรชีวิตของตนแต่อย่างใดสําหรับพระครูจเจริญวัดป่ามะม่วงนั้นไม่ว่าวันเดือนปีจะผันผ่านไปนานแค่ไหนท่านก็ไม่มีเวลามาสนใจ เพราะทุกเวลานาทีท่านมีแต่งานอันได้แก่งานสร้างคนงานสอนคนงานสงเคราะห์ช่วยเหลือคนเป็นอาทิงานเหล่านี้ต้องทำทุกวันเวลาชีวาลาลับดับลงเมื่อไรเมื่อนั้นจึงจะถึงเวลาได้พักผ่อนกลางเดือนมกราคมท่านพระครูเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติธรรมเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงห้าสิบ บ่ายสองโมงลงรับแขกที่กุฏิจนถึงบ่ายสามโมงจากนั้นจึงเตรียมตัวไปร่วมงานชาปนกิจศพขหาหบดีของจังหวัดสิงห์บุรีท่านไม่รู้จักคนตายรู้จักแต่ลูกชายของเขาซึ่งมาทำบุญที่วัดป่ามะม่วงบ่อยครั้งจนคุ้นเคยกันกำหนดเวลาชาปนกิจสี่โมงเย็นท่านสมน้ำและนุ่งห่มคลองผ้าอย่างเรียบร้อยจึงออกเดินทาง โดยมีนายสมชายผู้มีคุณสมบัติพิเศษในการจำเส้นทางรู้จักถนนทุกสายและรู้จักที่ตั้งของวัดทุกวัดในจังหวัดสิงห์บุรีเป็นคนนำไปท่านจึงสบายใจทุกครั้งที่ไปกับเขาทว่าคราวใดในายขุนทองหลานชายร่วมเดินทางไปด้วยคราวนั้นท่านยังมั่นใจไม่ได้ว่าจะสบายใจเหมือนไปกับสมชายเพียงสองคนหรือไม่ อย่างไรก็ตามในขุนทองก็ยังดีกว่าในแดงคู่แฝดของในขาวที่ท่านไปพบที่ประตูทางเข้าวัดเมื่อ20กว่าปีก่อนอุตสาเลี้ยงดูมาอย่างดีส่งไปบวชเนนอยู่ที่วัดภาวนาพิราตารามบางขุนนนหวังจะให้ได้เรียนบาลีเพราะพระมหาวิจิตตวิจิตโตเจ้าอาวาสวัดท่านจบปรรียนธรรมประโยกเและเปิดสำนักสอนบาลีในวัด สมณเณรแดงและสมณเณรขาวแม้จะได้อาจารย์ดีและมีท่านพระครูสนับสนุนทว่าก็หาตั้งอกตั้งใจเรียนไม่เรียนอยู่จนอายุครบบวชก็ยังสอบป ร, รียนาธรรมไม่ได้แม้แต่ประโยคเดียวเมื่อพระมหาวิจิตจเจ้าอาวาสมีจดหมายมาเรียนปรึกษาท่านว่าจะให้สมณเณรคู่แฝดอุปสมบทที่วัดภาวนาพิราตารามดีหรือว่ากลับมาอุปสมบทที่วัดป่ามะม่วงดี ท่านยังไม่ได้มีจดหมายตอบไปท่านมหาก็มีจดหมายส่งมาอีกฉบับหนึ่งกล่าบเรียนท่านว่าสมณเณรคู่แฝดไม่ประสงค์จะบวชจะขอสึกจากการเป็นสมณเณรที่วัดของท่านแล้วสมณเณรแดงจะกลับมาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงส่วนสมเณรขาวน้องชายเมื่อสึกแล้วก็จะไปทําสวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีกับเพื่อนเนนที่จะสึกพร้อมกัน เมื่อใดแดงกลับมาที่วัดป่ามะม่วงท่านก็ปรารบเรื่องอุปสมบทแต่เขาก็พูดจาผัดผรบาใบเบียงไปได้เรื่อยๆท่านจึงบอกเขาตามตรงว่าถ้าเขาไม่บวชเรียนก็จะต้องตายเมื่ออายุยังไม่ถึงสามสิบและยังบอกอีกว่าในขาวน้องชายจะตายก่อนจะไม่ได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกจะเป็นไข้ป่าตายอยู่ที่จันทบุรี นายแดงไม่ใส่ใจกับคำพูดของท่านที่แสดงความเป็นห่วงเขายังคงหลีเกเลี่ยงที่จะหันเหชีวิตมาดำรงสมณะเพศอย่างท่านสามเดือนต่อมาเพื่อนในขาวที่สึกจากเนนไปด้วยการส่งข่าวมาบอกว่านายขาวเป็นไข้ป่าตายให้ในายแดงไปงานศพนายขาวด้วยนายแดงกลัวจะเป็นไข้ป่าตายอีกคนจึงไม่ยอมไปงานศพน้องชาย เพราะความกลัวตายเป็นเหตุเมื่อวันพระที่แล้วมีภิกษุรูปหนึ่งอายุประมาณ40เศษได้มาขอพบท่านและแสดงตนว่าเป็นบิดาของนายแดงและนายขาวที่มาก็เพื่อจะขอคู่แฝดไปอุปการะท่านจึงถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าคู่แฝดเป็นลูกภิกษุนั้นตอบว่าตนและแม่เด็กตกลงกันว่าคลอดแล้วจะนามาทิ้งที่หน้าวัดเพื่อให้ท่านเก็บไปเลี้ยง ที่ต้องทําเช่นนั้นเพราะตนมีภรรยาและลูกอยู่ก่อนแล้วฐานะก็ยากจนจึงไม่อาจอุปการะคู่แฝดและแม่ของเขาได้ครั้นท่านบอกว่าในขาวตายแล้วภิกษุรูปนั้นจึงนํามาเป็นข้ออ้างว่าท่านเลี้ยงลูกตนไม่ดีตนจึงจะรับกลับไปอุปการะเองท่านพระครูอยากรู้ว่าภิกษุรูปนั้นพูดจริงหรือพูดเท็จเพราะดูท่าทางไม่น่าไว้วางใจ จิงวานเห็นหนอช่วยตรวจสอบเห็นหนอรายงานว่าพูดจริงแต่ที่จะเอาลูกไปนั้นไม่ได้จะเอาไปอุปการะเท่าว่าจะเอาไปถ่ยเงินพิษุรูปนี้ติดบุรีกับติดหวยใต้ดินเห็นลูกอยู่กับท่านพระครูก็คิดว่าลูกคงมีเงินพอที่จะให้ตนถยได้แต่ไม่ต้องกลัวเจ้าแดงมันคงจะไม่ไปอยู่ด้วยหรอก เชื่อเห็นหนอเธอจะเกิดผลถ้าไม่จริงจะให้ปรับจะเอาหอประชุมไปจำนำมาเสียค่าปรับเห็นหนอล้อเลียนท่านท่านไม่สนใจเห็นหนอแต่บอกพิสุรูปนั้นว่าเอาไปแล้วอย่าเอามาคืนนะเพราะผมปวดหัวมายี่สิบกว่าปีแล้ว ที่เอาลูกเข้ามาเลี้ยงเอาเมียงเข้ามาอมคุณทองไปตามเจ้าแดงมานี่หน่อยอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านพูดทำนองบนเพราะในแดงไม่ค่อยอยู่วัดแต่ชอบมาเสนอหน้าเวลามีแขกพิเศษด้วยหวังว่าจะได้ทิปพิเศษจากแขกพิเศษนั่นเองเมื่อในแดงมาแล้วท่านจึงบอกให้รู้ว่าพิกษุรูปนี้เป็นพ่อของเขาจะมารับเขาไปอยู่ด้วยในแดงไม่ดีใจแม้สักนิด ที่ได้พบพ่อประดูสารรูปแล้วคงไม่มีแขกพิเศษมาเหมือนอย่างลุงพ่อของเขาหากไปอยู่ด้วยก็จะไม่ได้ทิปพิเศษจึงบอกว่าเขาอยู่ที่วัดนี้จนชินแล้วไม่อยากย้ายวัดภิกษุรูปนั้นจึงต้องแบกความผิดหวังกลับไปคิดว่าจะเลิกบุรีและหวยใต้ดินมาเริ่มปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะได้เงินไหลนองทองไหลามา เหมือนท่านพระครูเจริญบ้างนายสมชายเห็นหลวงพ่อของเขานั่งเงียบไม่ชวนคุยเหมือนทุกครั้งจึงยา ว, ว่าหลวงพ่อคิดอะไรอยู่ดูเคร่งขลึมกว่าทุกวันกําลังคิดถึงใครอยู่หระครับคิดถึงใครมันก็เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของเธอท่านตอบไม่ใช่เรื่องของผมไม่ได้หรอกครับเพราะผมกําลังขับรถให้หลวงพ่อ เกิดหลวงพ่อคิดอะไรเพลินๆจนทําให้ผมขับรถหลงทางหลวงพ่อจะไปไม่ทันเผาศพนะครับนายสมชายอ้างเหตุผลที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเลยสักนิดท่านพระครูจึงอ้างบ้างว่าหลงทางแค่เสียเวลาแต่ถ้าหลงติดยาจะเสียอนาคตเองเชื่อไม่ว่าในอนาคตจะติดยากันเกือบทั้งประเทศพระสม์องค์เจ้าก็ติด เพราะคนผลิตเขาอยากรวยพวกค้ายาเสพติดจะร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นร้อยเป็นพันล้านแต่พอลูกหลานตัวเองมาติดยาที่ต้นผลิตทีนี้ก็จะรู้แล้วว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวภาษาบาลีว่าอย่างไรครับนายสมชายถาม้ดวยว่าหลวงพ่อของเขามักอ้างบาลีทุกครั้งที่สอน ในว่าจะอนุรักษ์ภาษาของพระพุทธเจ้าไว้ท่านพระครูจึงแกล้งพูดบาลีเถื่อนด้วยคิดว่าเขาคงไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้เรียนท่านพูดว่าทุกขโตทุกขฐานวัวให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นบาลีเถือนแล้วครับหลวงพ่อนายสมชายพูดราวกับรู้เท่าทัานความจริงเขาเพียงแต่เดาเอาเท่านั้น เคยได้ยินพระมหาบุญท่านสอนภาษาบาลีพระเนนในวัดท่านสอนว่าสระในภาษาบาลีมีเพียงแปดเสียงได้แก่ออีอูเอโอไม่มีสระอัวเพราะฉะนั้นทุกขาถานนวต้องเป็นบาลีเถือนเกงนี่เธอรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเป็นบาลีเทือนท่านถาม นายสมชายจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินพระมหาบุญท่านสอนภาษาบาลีพระเนนในวัดให้ท่านพระครูฟังรถแล่นเข้ามาในลานจอดรถของวัดนายสมชายหาที่จอดได้แล้วจึงเปิดประตูให้ท่านพระครูลงจากรถท่านเดินไปยังประลําหน้าเมนเจ้าภาพซึ่งเป็นลูกหลานของผู้ตายเดินออกมาต้อนรับและนำท่านไปนั่งยังที่จัดไว้สําหรับพระสงฆ์ซึ่งอยู่แถวหน้าสุด เนื่องจากผู้ตายเป็นข้าหาบดีของจังหวัดจึงมีคนมางานเผาศพนับพันหลังจากพิธีทอดผ้าเสร็จและทายกได้อ่านประวัติและคุณความดีของผู้ตายแล้วก็ได้เวลาชาปนกิจศพพิธีกรประกาศนิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ก่อนแล้วจึงตามด้วยขลือหัดท่านพระครูนับจำนวนพระภิกษุที่มาในงานนี้ได้สิารูป รองเจ้าคณะจังหวัดจะขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์เป็นรูปแรกต่อจากนั้นเป็นเจ้าคณะอำเภอพรมบุรีคือพระครูเจริญวัดป่ามะม่วงขณะที่รองเจ้าคณะจังหวัดกําลังเดินไปยังเมนตามด้วยเจ้าคณะอำเภอพรมบุรีและพระภิกษุอีก11รูปนั้นเหตุการณ์ที่ไม่มีผู้ใดาคาดคิดก็เกิดขึ้นบุรุษหนึ่งเดินอาจอาจขึ้นไปยืนบนเมนหน้าลงศพ ท่าทางเขาเหมือนคนวิกลจริตผมเเผายาวรุงรังสวมกางเกงขากล้วยเก่าๆสีดำไม่สวมเสื้อตามเนื้อตามตัวมีคราบเหงื่อไกรดำเป็นปื้นๆเขาถือมิดโตเล่มใหญ่ด้วยมือขวาสะพายย่ามสีเหลืองเก่าๆไว้ที่ไหล่ข้างซ้ายชูมิดโตขึ้นมาแกว่งไปมาในอากาศประกาศด้วยเสียงอันดังว่าทุกคนอย่าขยับขยื่น ห้ามขึ้นมาจับกูไม่ใช่นั้นกูจะฟันหัวแบกแน่กูไม่ได้บ้าแล้วก็ไม่ได้มาร้ายกูจะมาคุยกับไอ้คนที่มันนอนอยู่ในโรงนิดเดียวแล้วก็จะไปห้ามใครขึ้นมานะกูฟันจริงๆด้วยพระคุณเจ้าอย่าขึ้นมานะครับโยมไม่อยากฟันหัวพระทั้งพระและขลือหัตต่างยืนนิ่งไม่ขยับขยื้อนเมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดขัดขืน บุรุษนั้นจึงหันหน้าไปทางโลงศพพูดดังๆว่าไอโว๋งเหวงมึงโกงไร่โกงนากูไปจนกูหมดเนื้อหมดตัววันนี้กูจะเอาดินที่มึงโกงไปมาให้มึงเอาติดตัวไปนรกด้วยพูดจบเขาก็เอามือล้วงลงไปในย่ามหยิบดินก้อนโตเท่ากำปัน้น มาถือไว้ใช้มีดฟันฝาลงแล้วก็โยนดินลงไปในโรงศพจากนั้นก็เดินลงจากเมนทุกคนมองตามกระทั่งเขาเดินออกประตูวัดไปเขาไปแล้วรองเจ้าคณะจังหวัดจึงเดินขึ้นเมนไปวางดอกไม้จันตามด้วยเจ้าคณะอำเภอรพรมบุรีและภิกษุอีก11รูปหมดแถวภิกษุแล้วจึงเป็นแถวของคลือหัดทุกคนอยู่ในความสงบ ไม่มีเสียงพูดคุยใดๆเสร็จแล้วจึงแยกย้ายกันกลับวัดบ้างกลับบ้านบ้างจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตั้งใจจะนำเรื่องที่ท่านได้ประสบพบเห็นในครั้งนี้ไปเล่าสู่ญาติโยมฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าอย่าได้ไปโกงใครเขาเดี๋ยวเจ้าของเขาจะตามมาด่าประจานในงานศพเหมือนโยมหวงเวงขหะบดีคนดังของจังหวัดสิงห์บุรีผู้นี้ เมื่อกลับถึงวัดสมภานวัดป่ามะม่วงสงน้ำอีกครั้งคนโบราณเชื่อกันว่าเมื่อกลับจากงานศพต้องอาบน้ำสระผมให้สะอาดไม่เช่นนั้นเชื้อโรคที่ล่องลอยอยู่ในอากาศจะติดเนื้อติดตัวมาทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยและอาจตายตามคนที่เราไปงานศพเขาก็ได้สงน้ำเสร็จก็ได้เวลาไปนำผู้ปฏิบัติธรรม ท, ทวัดเย็นหลังจากนั้น ก็จะให้พวกเขาเดินและนั่งอย่างละ45นาทีเพราะเป็นวันแรกเสร็จแล้วท่านก็จะแสดงธรรมเรื่องจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะท่านยังคิดไม่ออกจึงคิดไปเดินไปทว่าคิดเท่าไรก็ยังคิดไม่ออกกระทั่งเท้าเหยียบบันไดขั้นแรกของหอประชุมจึงคิดแบบลุกๆวว่าชื่อเรื่องขะหบดีวงเวงก็แล้วกัน เวลาสามทุ่มเศษท่านก็เดินกลับมายังกุฏิที่พักผู้ปฏิบัติธรรมต่างแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนไม่มีเสียงพูดคุยกันเพราะแม่พินบริหารงานดีมากเขามีนิสัยปัจจัยมาแต่อดีตชาติครั้งที่เป็นทหารเอกของท่านอีกไม่นานคนที่เคยเกี่ยวข้องกับท่านในอดีตจะมาชุมนุมกันที่วัดนี้มาช่วยกันสร้างความดีหนีความชั่วพาตัวให้พ้นอบาย ตายแล้วจะได้มีสุขติเป็นที่ไปท่านสงน้ำอีกครั้งเป็นการสงตามปกติเพราะวันหนึ่งท่านสงน้ำสองครั้งคือตอนตีสามครึ่งกับสามทุ่มเศษหลังจากเสร็จกิจวัรเรื่องการเทศการสอนแล้วแต่ถ้าวันไหนไปงานศพเมื่อกลับวัดท่านก็สงอีกครั้งเป็นการสงที่ไม่ตามปกติ ส่งน้ำเสร็จท่านก็ลงมือบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือเรื่องขหบดีวงเวงเพื่อเป็นหลักฐานว่าความดีความชั่วที่ตัวทำตอนยังไม่ตายคนอื่นไม่รู้พอตายยังไม่ทันได้เผาก็มีคนมาเปิดโปงแต่ถึงคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ตัวผู้ทำก็ต้องนํรรำนั้นซึ่งไม่ว่าดีชั่ว ติดตัวไปปรโลกด้วยผู้มีปัญญาจึงไม่พึงทำความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้งด้วยคิดว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นเวลาสี่ทุ่มท่านจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมและนั่งสมาธิไปจนถึงสองยามจึงจำวัดท่านจำวัดครบไตรจีวรคือสังฆติอุตราสงและอันตรวาสก เรียกให้จำง่ายว่าผ้าทาบผ้าหม่มและผ้านุ่งเพราะมีพุทธบัญญัติว่าภิกษุต้องครองผ้าสามผืนคืออยู่ด้วยผ้าสามผืนตลอดเวลาปัจจุบันพระสงฆ์ท่านไม่ค่อยเคร่งครัดเรื่องวินัยกันแล้วบางรูปใส่ผ้าถุงอย่างเดียวเดินไปมาในวัดบางครั้งเดินออกนอกเขตวัดก็มี คลื่หัดที่เขารู้พระวินยัยย่อมนึกตำหนิติเตียนได้ท่านจำวัดอย่างมีสติกำหนดพองหนายุบหนาไปเรื่อยและรู้ว่าเมื่อกำหนดพองหนาหรือยุบนาหนึ่งครั้งจะมีสี่ระยะคือพองหรือยุบหนึ่งระยะหนาสามระยะผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ยังทำกันไม่ได้ บางคนปฏิบัติมานานก็ยังไม่รู้ว่าพองหนอยุบหนอมีกี่ระยะบางคนก็พองแต่ปากท้องไม่พองด้วยทั้งนี้เพราะในอดีตชาติเขาไม่ได้ทามาส่วนคนที่สะสมมาแต่ครั้งอดีตชาติชาตินี้พอมาปฏิบัติต่อก็จะได้อย่างรวดเร็วเช่นโยมเซ้งเป็นตัวอย่าง สมผานวัดป่ามะม่วงนอนกำหนดพองหนอยุบหนอจนกระทั่งหลับไปอย่างมีสติคือรู้ว่าหลับตอนพองหรือตอนยุบเรียกตามภาษาธรรมว่าจับพองยุบได้ท่านหลับไปได้สักครู่ก็รู้สึกว่าท่านเดินไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่ท่านรู้สึกคุ้นเคยมานานหากก็ยังนึกไม่ออกว่าเป็นที่ใดบัดด น, นั้น ท่านก็ได้พบพระสงฆ์องค์หนึ่งครองจีวครค่้ำสมณ า, สารูปเรียบร้อยหน้าเลื่อมใสท่านเห็นว่าเป็นพระระตัตนโยผู้บวชนานรู้เห็นเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นจึงน้อมนมัสการพระระตัตนโยหยุดยืนตรงหน้าท่านกล่าวว่าเราคือสมเด็จพระพลรัตวัดป่าแก้วแห่งสีอโยะเยต เราต้องการให้เธอไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งในอดีตคือวัดป่ากแก้วเพื่อดูจารึกที่เราได้รจนาถวายแด่สมเด็จพระนเรสวนมหาราชเจ้าเนื่องในวาระที่สร้างพระเจดีย์ฉลองชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งพมา่าและทรงประกาศอิสรภาพจากหงสวดีเป็นครั้งแรกเธอไปดูไว้แล้วจดจำมาเผยแพร่ออกไป ถึงเวลาที่เธอจะได้รับรู้แล้วท่านพระครูรับปากที่จะไปดูพระรัตรัญยูหรือสมเด็จพระพล ร, รัตวัดป่ากแก้วก็บอกตําแหน่งแห่งที่ให้แล้วเดินจากไปท่านพระครูมองตามจนท่านลับตาแล้วจึงลุกขึ้นนั่งทบทวนสิ่งที่ท่านรับรู้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ท่านประสบดูเหมือนว่าเป็นความฝัน หากก็ไม่ใช่ฝันเพราะท่านกำหนดจิต ด, ด้วยกรรมฐานมีสติรู้ทั่วพร้อมอยู่เสมอเรื่องจะฝันฟุ้งซ่านนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ไม่เป็นไรท่านจะต้องไปพิสูจน์ด้วยตนเองขณะนั้นเวลาตีสามท่านจึงลงไปสงน้ำกรองผ้าเรียบร้อยแล้วจึงสวดมนต์ทำวัดพระคิดว่าฉันเช้าแล้วจะสะสางงานสักพัก 8โมงเช้าจะออกไปบอกแม่พินและผู้ปฏิบัติธรรมที่หอประชุมว่าวันนี้ท่านจะไปธุระสาคัญที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะกลับมาให้ทันนนำทำวัดเย็นและจะเล่าให้ผู้ปฏิบัติธรรมฟังว่าเหตุใดท่านจึงต้องไปไปแล้วพบอะไรบ้างส่วนเรื่องการรับแขกช่วงสิบโมงเช้าและบ่ายสองโมงนั้น ท่านจะมอบหมายให้หลานชายแจ้งแก่บรรดาแขกที่มาพบว่าท่านมีธุระต้องไปวัดใหญ่ชัยมงคลต้องขออาภัยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพราะท่านเพิ่งรู้เมื่อตอนตีสามว่าจะต้องไปเวลาแปดนาฬิกาสนาทีนยสมชายขับรถมาถึงวัดมาก็พบหลวงพ่อของเขาหิ้วย่มยืนอยู่หน้าประตูเมื่อเขาเบรกเพื่อจะถามว่าท่านจะไปไหน ท่านพระครูก็เปิดประตูรถเองและขึ้นมานั่งด้านหน้าคู่กับเขาสั่งว่าไปวัดใหญ่ชัยมงคลด่วนให้ถึงที่นั่นก่อนเก้าโมงหลวงพ่อจะให้ผมหเหาะไปหรอครับอย่าเลยผมกลัวตกลงมาขาหักเหมือนแขกโยคีที่เหาะมาตกวัดหลวงพ่อช้างท่านพระครูไม่พูดว่ากะไรท่านนั่งขาดสมาธิหลับตา ่รยพระคถาสหัสนโตอันเป็นคถาย่นระยะทางที่คลั่งที่สุดเพราะท่านใช้ได้ผลมาทุกครั้งในสมชายรู้ว่าท่านใช้กำลังภายในช่วยจึงขับรถไปตามปกติเพราะรู้ว่าถึงอย่างไรก็ต้องถึงตามเวลาที่ท่านพูดไว้รถของนายสมชายแล่นไปจอดที่ลานวัดใหญ่ชัยมงคลเขาเปิดประตูให้ท่านแล้วเดินตามท่านไป แอบมองนาฬิกาที่ข้อมือข้างขวาเห็นเข็มสั้นชี้ที่เลข8เข็มยาวชี้ที่เลขสิบจึงรู้ว่ารถวิ่งมาเพียง20สบนาทีหลวงพ่อของเขาเดินไปยังเจดีเมื่อไปถึงก็พบด็อเตอร์กิ่งแก้วอัากรยืนอยู่ที่นั่นท่าทางด็อเตอร์ทั้งดีใจและประหลาดใจว่าหลวงพ่อของเขามาที่นี่ได้อย่างไรกราบนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะ หลวงพ่อมาได้อย่างไรคะดกรกิ่งแก้วทักทายแล้วนั่งลงกราบเบญจางคับประดิษฐ์สามครั้งอัตมาจะมาหาหลักฐานอะไรสักหน่อยท่านกําลังคิดว่าจะบอกเรื่องที่ท่านพบสมเด็จพระพลรัตวัดป่ากแก้วดีหรือไม่หากบอกแล้วด็ตอร์เขาไม่เชื่อท่านจะทําอย่างไรหลวงพ่อจะมาหาหลักฐานอะไรคะดต็ตรกิ่งแก้วกราบเรียนถาม ท่านจึงเล่าอ้อมๆว่าเมื่อคืนอาตมาพบภิกษุรูปหนึ่งท่านบอกว่าให้อาตมามาดูจารึกที่ท่านเก็บไว้ในเจดีแล้วให้จําและนําเอาไปเผยแพร่อาตมาก็เลยอยากมาพิสูจน์อาตมาจะขอขึ้นไปบนเจดีได้ไหมจะลงไปดูข้างล่างพระท่านว่าจารึกอยู่ใต้พระเจดีด็อกตอร์กิงแก้วพูดว่า หลวงพ่อโชคดีจังเลยค่ะพอดีทางกรมศิลปากรเขาทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ใหญ่ในวัดใหญ่ชัยมงคลและจะทำการบรรจุบัวยอดพระเจดีย์เพราะสิ้นสุดการบูรณะแล้วจากนั้นก็จะรื้อนั่งร้านออกมาทั้งหมดวันนี้เขากำลังจะทำการปิดยอดบัวพรุ่งนี้จะรื้่ที่นั่งร้านออก ถ้าอย่างนั้นนิมนต์หลวงพ่อลงไปดูได้เลยค่ะดกรกิ่งแก้วประนมมือนิมนต์ท่านพระครูฝากย่ามไว้กับนายสมชายบอกเขาว่าถ้าฉันไม่ขึ้นมาก็ให้เขาหรือนั่งล้านออกได้แสดงว่าฉันตายอยู่ในนั้นหลวงพ่ออย่าพูดอะไรเป็นลางไม่ดีผมใจฝ่อแล้วนะนายสมชายต่อว่าเขาเหลือบมองดูนาฬิกาข้อมือ ขณะนั้นเวลาเก้านาฬิกาท่านพระครูเดินขึ้นไปบนเจดีถือไฟฉายไปกระบอกเดียวเมื่อขึ้นไปถึงบนสุดบันไดแล้วท่านมองลงไปด้านล่างภายในพระเจดีเห็นโพรงที่เขาทำไว้สำหรับลงไปด้านล่างมีนั่งร้านพอต่ลงไปได้ท่านตั้งใจเด็ดเดียวว่าจะลงไปคราวนี้ถ้าพลาดตกจากนั่งร้านก็ขอยอมตาย ท่านจึงดิ่งลงไปชั้นล่างโดยไตยนั่งร้านลงไปแล้วท่านก็พบจารึกดังที่สมเด็จพระพลรัฐวัดป่าแก้วบอกไว้ทุกประการสมภารวัดป่ามะม่วงพบว่าแท้จริงแล้วจารึกที่สมเด็จพระพลรัฐวัดป่าแก้วได้รจนาถวายพระพรสมเด็จพระนเรสวนมหาราชเจ้าก็คือบทสวดที่เรียกว่าพาหงมหาการุณิโก หรือเรียกสั้นๆว่าพาหุง ม, มหากาอันประกอบด้วยบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วพรพาหุงแปดคาถาที่เรียกว่าพุทธชยมุลอัตคาถาเริ่มตั้งแต่พาหุงสหัสมะพินิมิตะสาวุธันตังไปจนถึงทุกขาหะทิฏฐิพุชะเคนะรวมแดคาถาและ เอตาปิพุทธชยะมังคละอัตคถ า, ธาซึ่งว่าด้วยอนิสง์ของการสวดสาธยายอีกหนึ่งคาถาเรื่อยไปจนถึงมหาการุณิโกนาโถหิตายะและจบลงด้วยภวัตุสัพพมังคลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพัมมานุภาเวนะสัพพสังคานุภาเวนะ ส, สทัทาโสตถีพระวันตุเตสมภารวัยย่างห8เข้าใจในบัตรนั้นเองว่าบทพาหุงก็คือบทสวดมนต์ที่สมเด็จพระพลรัตวัดป่ากแก้วได้รจนาขึ้นถวายแด่สมเด็จพระนเรสวนมหาราชไว้สวดสาธยายเป็นประจำทั้งเวลาปกติที่ประทับในพระราชวังและในระหว่างศึกสงครามจึงปรากฏว่าพระองค์ทรงรบณี่ใด ทรงมีชัยชนะตลอดมาทุกครั้งมิเคยทรงเพลียงพร้ําเลยแม้จะทรงรบอยู่เพียงลําพังสองพระองค์กับสมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาท่ามกลางกองทัพพม่าจำนวนนับแสนก็ทรงมีชัยชนะเหนือกองทัพพมา่าด้วยการกระทํายุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชานาดอนเจดีและแม้ข้าศึกจะยิงปืนไฟใส่พระองค์ เมื่อเข้ามาการพระสพของพระมหาอุปราชาออกไปแต่กระสุนไม่ได้ต้องพระองค์แต่ประการใดด้วยเดชแห่งพาหุงมหากาที่ทรงสวดสาธยายอยู่เป็นประจำนั่นเองเมื่อได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ท่านพบเห็นในเวลาค่อนรุ่งนั้นเป็นจริงทุกประการท่านพระครูก็ไต่ขึ้นมาด้วยความสบายใจรวมเวลาที่ไต่ลงไปจนถึงไต่ขึ้นมา ประมาณสามชั่วโมงหากอยู่เกินนั้นก็คงจะต้องสิ้นชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจแม่ชีคนหนึ่งเดินลงมาเห็นท่านเนื้อตัวมีแต่ยหยักย่ายยังร้องว่าหลวงพ่อเข้าไปในโพรงนั้นมาหรือแต่ท่านไม่ตอบนายสมชายนั่งรอท่านด้วยความกระวนกระวายยิ่งท่านพูดเป็นลางว่าถ้าท่านไม่ขึ้นมาก็แปลว่าท่านมรณาภาพอยู่ในนั้น เขาจะยอมให้ท่านมรณาภาพได้อย่างไรไม่มีท่านแล้วเขาจะมีปัญญาไปหาหลวงพ่อดีๆได้ที่ไหนอีกกำลังคิดถึงอนาคตที่ไม่มีหลวงพ่อก็เห็นหลวงพ่อของเขาตา่บันไดลงมาจากพระเจดีเขาดีใจที่สุดในโลกรีบเดินไปรับท่านหลวงพ่อโอ้โหไปทะเลาะ ก, กับแมงมุมมาหรือครับ อยากย่าไยแมงมุมเต็มตัวเลยท่านพระครูไม่ตอบแต่ถามว่าด็อเตอร์กิ่งแก้วไปไหนคงไปทานข้าวกลางวันวันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ฉันเพนนะสิครับเขาพูดอย่างเป็นห่วงตัวเขาเองท้องร้องจอกจอกประท้วงแล้วเธอช่วยไปดูสิว่าเขาทานเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วบอกมาหาฉันหน่อย ด็กร์กิ่งแก้วรับประทานอาหารเสร็จก็รีบกลับมาที่พระเจดีเพราะเป็นห่วงท่านพระครูทั้งที่รู้ว่าท่านเก่งมีคาถาอาคมมากมายก็ยังไม่วายห่วงท่านพระครูเปรียบเสมือนเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานแสนนานเธอไม่รู้ว่ายายมีความรู้สึกอย่างนี้ในเมื่อเธอเพิ่งรู้จักท่านได้ไม่ถึงปีอีกประการหนึง่ง ยายเธอจึงมีศรัทธาดูแลการบูรณะปฏิสังขรพระเจดีที่วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ต้องขับรถไปกลับระหว่างอายุธยากรุงเทพในวันที่มีสอนเธอเป็นอาจารย์สอนที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษคิดว่าจะทำงานไปอีกสักระยะและจะขอบวชชีอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคล น, นี้ เพราะรู้สึกผูกพันกับพระเจดีเป็นพิเศษหลวงพ่อคะโยมเป็นห่วงหลวงพ่อมากมากจนทานข้าวไม่ค่อยลงเลยคะ่ะด็อเตอร์พูดด้วยความโล่งใจที่ท่านขึ้นมาจากโพรงใต้พระเจดีได้ขนาดทานไม่ค่อยจะลงยังทานไปตั้งสองจาน ท่านลงคงสิบจานกระมังท่านพระครูยาวทำไมหลวงพ่อทราบละคะด็อกเตอร์ถามเสียงอ่อยก็ทำไมจะไม่ทราบละ่ะตอนแรกด็อกเตอร์ก็เป็นห่วงหลวงพ่อกะว่าจะไม่นานแต่พอท้องมันประท้วงก็เลยเดินไปที่โรงครัวตักข้าวมานิดเดียวปรากฏว่าวันนี้มีแกงส้ม กับต้มผักกาดดองของโปรดเลยต้องตักข้าวอีกจานหนึ่งจริงไหมล่ะจริงค่ะแม่ครัวเขาทำแกงส้มกับต้มผักกาดดองอร่อยมากเสียดายนี่ก็เพลแล้วหลวงพ่อเลยไม่ได้ฉันถ้าฉันหลวงพ่อจะทราบว่าแกงส้มกับต้มผักกาดดองของวัดนี้อร่อยมากด็อกเตอร์ย้าอาตมารทราบว่าอร่อยมาก หากก็อร่อยน้อยกว่าที่วัดปามะม่วงนิดนึงถ้าด็อเตอร์ไม่เชื่อก็ต้องไปพิกสูตร์่ะยอมยึดหลักกลรมสูตรที่พระพุทธองค์ทรงสอนข้อที่สิบทรงสอนว่ามาสมาโนโนครุติอย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะเป็นครูของเราเพราะฉะนั้น โยมก็ยังไม่ปรงใจเชื่อหลวงพ่อว่าเป็นครูของโยมแปลเป็นบาลีว่ามาอาจาริโยเมครูติอย่าปรงใจเชื่อเพราะ น, นับถือว่าท่านอาจารย์นี้เป็นครูของเราสักวันโยมจะต้องไปพิสูจน์ค่ะอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ผู้ช่างเจรจากราบเรียนท่านพระครูจึงพูดธุระที่ต้องพูดกับดรกิ่งแก้วคนเดียวว่า ที่อาตมามาที่นี่ก็เพื่อจะมาพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับจารึกที่พระภิกษุรูปหนึ่งบอกอาตมาเมื่อคือนนี้อาตมาก็ได้พบทุกสิ่งทุกอย่างจึงขอเล่าเรื่องที่อาตมาพบพระภิกษุเมื่อคือนนี้ว่าท่านเป็นใครแล้วท่านจึงเล่าเรื่องที่ท่านพบสมเด็จพระพลรัตน์วัดป่าแก้วให้ด็เตอร์กิ่งแก้วฟังอย่างไม่ปิดบังอัมพราง อาจารย์วัย45เกิดปิติขณะฟังทั้งขนลุกทั้งน้ำตาไหลและคิดว่าเธอเองก็คงจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสมเด็จในครั้งกระนั้นจึงได้มาดูแลการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีและก็เชื่ออย่างไม่มีข้อกังขาว่าวัดใหญ่ชัยมงคลก็คือวัดป่ากแก้วในสมัยนั้น บางทีเธออาจจะเป็นสิทธิ์คนหนึ่งของสมเด็จเช่นเดียวกับหลวงพ่อรูปนี้ก็เป็นได้เมื่อเล่าจบท่านพระครูจึงพูดกับด็อเตอร์กิ่งแก้วว่าอาตมามีเรื่องอยากจะขอร้องด็อเตอร์ให้ช่วยเป็นเรื่องของอาตมาหากก็เกี่ยวข้องกับด็อเตอร์ด้วยเพราะถ้าด็อเตอร์ไม่ช่วยตามที่อาตมาขอร้องเรื่องของอาตมาก็จะไม่จบ ด็อเตอรรับปากก่อนว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยท่านขอร้องแกมบังคับช่วยเรื่องอะไรคะถ้าด็อเตอรรับปากจะช่วยอาตมาจึงจะบอกท่านตั้งเงื่อนไขก็ถ้าหลวงพ่อไม่บอกและโยมจะรู้ได้อย่างไรล่ะคะว่าเรื่องที่หลวงพ่อขอมานั้นโยมสามารถช่วยได้หรือไม่ท่านพระครูรีบบอกว่าช่วยได้แน่นอน แล้วเรื่องที่ช่วยนั้นถูกต้องตามทํานองครองธรรมหรือไม่คะเกิดหลวงพ่อขอร้องให้โยมไปฆ่าคนตายโยมทำไม่ได้นะคะอาจารย์วัย45ยังไม่กล้ารับปากอาตมาเป็นพระจะทาอย่างนั้นได้อย่างไรเอาละอาตมาจะบอกว่าไม่ขอร้องให้ด็อกเตอร์ไปฆ่าคนตายแต่ถ้าด็อกเตอร์ไม่ช่วยก็เท่ากับด็อกเตอร์ฆ่าอาตมาให้ตาย แลวด็อกเตอร์ก็จะบาปมากเพราะค่าคนตายก็ยังบาปไม่เท่าค่าพระตายท่านพยายามพูดให้มีน้ำหนักแต่อ น, นิจจาด็อเตอร์วัย45แทนที่จะเห็นใจกลับปฏิเสธยังไม่มีเยื่อใยว่ารู้สึกจะเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสำหรับโยมหลวงพ่อไปให้คนอื่นช่วยดีกว่าค่ะท่านพระครูคิดว่าถ้าพูดดีๆเรื่องนี้คงไม่สาเร็จ ต้องใช้วิธีประท้วงจึงพูดด้วยท่าทางขึงขังว่าถ้าด็อกเตอร์ไม่ช่วยอาตมาก็จะประท้วงจะอดข้าวอดน้ำอยู่ตรงนี้จนกว่าจะตายถ้าอย่างนั้นโยมขอตายแทนเอาเป็นว่าถ้าโยมช่วยไม่ได้ก็จะขอตายแทนหลวงพ่อก็แล้วกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อกรุณาบอกโยมมาว่าจะให้โยมช่วยอะไร ท่านพระครูเห็นว่าได้เวลาที่จะบอกแล้วจึงพูดว่าอาตมาจะขอร้องด็อกเตอร์ให้เลื่อนการปิดยอดบัวพระเจดีย์ไปอีกวันหนึ่งเพื่อที่อาตมาจะได้นำพระซุ้มเสมาชัยซุ้มเสมาขอซึ่งอาตมาได้สร้างขึ้นตามแบบดั้งเดิมที่พบในเจดีย์ใหญ่ใกล้กับวัดป่ามะม่วงซึ่งพังลงน้ำ กงมของอาตมาเป็นคนรวบรวมเอามาให้อาตมาตั้งหลายสิบปีปแต่แตกหักผุพังทั้งนั้นเลยกงเอามาให้ตั้งแต่อามามาอยู่วัดป่ามะม่วงใหม่ๆแล้วก็เริ่มพัฒนาวัดอาตมาได้ปนเอามาผสมสร้างเป็นพระองค์ใหม่เก็บไว้อาตมาอยากนําไปร่วมบรรจุไว้ที่ยอดพระเจดีบ้างจึงขอร้องด็กเตอร์ให้เลื่อนการปิดยอดบัวพระเจดีไปอีกวันหนึ่ง คิดว่าด็อเตอร์คงไม่ขัดข้องพูดจบก็นั่งกลั้นใจฟังคำตอบด็อเตอร์กิ่งแก้วไม่บอกว่าจะให้ตามที่ท่านขอร้องหรือไม่แต่ถามท่านว่าหลวงพ่อมีกลงด้วยหระอคะแสดงว่าหลวงพ่อก็มีเชื้อจีนเช่นเดียวกับคนไทยส่วนใหญ่ กงฝ่ายโยมพ่อหรือฝ่ายโยมแม่คะฝ่ายโยมแม่กงอาตมาชื่อเหลงพวกล้านๆเรียกกันติดปากว่ากงเหลงส่วนยายอาตมาชื่อจางอาตมาอยู่กับยายตั้งแต่อายุได้หกขวบตอนนั้นกงเลงเสียชีวิตแล้วตกลงด็อกเตอร์เลื่อนการปิดยอดบัวพระเจดีเป็นปลุกนี้นะอาตมาจะนำพระสมเสมาชัย สุ้มเสมาขอมาบรรจุบัวยอดพระเจดีด้วยกงเหลงก็จะได้บุญอาตมาก็จะได้บุญแล้วก็จะแบ่งให้ด็อกเตอร์ครึ่งหนึ่งนี่อาตมาไม่ได้ติดสินบนนะแต่อยากให้ด็อกเตอร์ช่วยอาตมาตามที่อาตมาขอร้องท่านไม่ได้มัดมือชกแต่พูดคล้ายมัดมือชกตกลงค่ะถ้าหลวงพ่อบอกโยมตั้งแต่แรกก็เรียบร้อยไปแล้ว แต่ก็ดีที่ได้คุยกับหลวงพ่อโยมรู้สึกว่าคุ้นเคยกับหลวงพ่อมาเป็นเวลานานนับร้อยปีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่ทราบหลวงพ่อรู้สึกเหมือนโยมไหมคะอันนี้อาตมายังตอบไม่ได้คงยังไม่ถึงเวลาถ้าด็อกเตอร์อยากรู้ก็ไปทำกรรมฐานอาตมารู้อะไรหลายอย่างจากกรรมฐานแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ด็อกเตอร์ถามอาตมา อาจรู้คำตอบสักวันหนึ่งแล้วจะมาบอกด็อกเตอร์วันนี้อาตมาต้องขอลาเดี๋ยวต้องกลับไปนำญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมทามวัดเย็นท่านบอกลาเมื่อเห็นนายสมชายสะพายย่ามท่านเดินเข้ามาหลวงพ่อครับแกงส้มกับต้มผักกาดดองวัดนี้อร่อยเหมือนวัดเราเลยผมฉลองศรัทธาไปสามจานท่านพระครูมองหน้า ดกรกิ่งแก้วแล้วถามนายสมชายว่าอร่อยเหมือนหรือว่าอร่อยกว่าวัดเราสมมุติว่ามีการประกวดกันแล้วเองเป็นกรรมการเองจะให้วัดไหนชนะหลวงพ่อแต่ของวัดนี้เขอร่อยมากนะนายสมชายตอบไม่ตรงคําถามด็อร์กิ่งแก้วมองตาท่านพระครูเหมือนจะบอกว่าวัดนี้ชนะขาดลอยหากก็ต้องผิดหวัง เมื่อในสมชายพูดต่ออีกว่าของวัดนี้เขาอร่อยมากหากก็อร่อยน้อยกว่าวัดเรานิดนึงคราวนี้ท่านพระครูมองดอตรกิ่งแก้วเหมือนจะบอกว่าท่านชนะแล้วจากนั้นจึงบอกลาพรุ่งนี้จะต้องมาอีกขากลับท่านพระครูไม่ต้องพึ่งคาถาสหัสเนโตเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องย่นระยะทาง ท่านอยากเทศโปรดลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดที่สุดเพราะท่านดูหน้าแล้วเขามีกรรมที่ละเมิดศีลข้อปานาติบาติดมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติเกินร้อยละหกสิบต้องอายุสั้นเช่นเดียวกับเจ้าแดงและเจ้าขาวแต่เขายังดีที่มารับใช้ท่านด้วยศรัทธาและความเต็มใจหากเขาได้เจริญพระกรรมฐานขอโอโหสิ ก, ก ร, รมต่อเจ้ากรรมในเวร แล้วแผ่เมตตาอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้บุญกุศลจะต่ออายุเขาได้เรื่อยๆเพราะอย่างน้อยเขาก็เชื่อฟังท่านแต่ที่ยังไม่ยอมเข้ากรรมฐานเพราะห่วงลูกเมียถึงอย่างไรก็ยังดีกว่าเจ้าคู่แฝดที่เอาดีไม่ได้คิดดังนี้แล้วท่านจิงเทศสอนเขาโดยไม่ให้เขารู้ตัวว่ากําลังถูกสอนหลวงพ่อครับทำไมนั่งเงียบ ไม่เห็นเล่าอะไรให้ผมฟังบ้างเลยว่าหลวงพ่อไปเจออะไรมาหายลงไปในโพรงร่วมสามชั่วโมงเล่นเอาผมใจคอหายหมดแล้วหลวงพ่อไปทะเลาะ ก, กับพวกแมงมุมมาหรือเปล่าฉันตอบข้อสามก่อนและค่อยตอบข้อหนึ่งเพราะข้อหนึ่งต้องตอบยาวเธอไม่ต้องถามในใจว่ายาวแค่ไหนเพราะฉันกะไม่ถูกแต่ฉันก็จะพยายามตอบให้เสร็จก่อนถึงวัด คราวนี้ในสมชายเข้าใจแล้วว่าเหตุใดขากลับท่านจึงไม่ใช้คาถายอนระยะทางท่านพระครูตอบคำถามข้อสว่าฉันไม่ได้ไปทะเลาะ ก, กับแมงมุมแต่ที่มีใ ย, ยแมงมุมติดตามเนื้อตามตัวฉันพรัะโพรงที่ฉันลงไปดูจารึกนั้นขุดขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรสวนมหาราชหากนับถึงปัจจุบัน ก็อายุเกิน300ร้อปีแล้วจึงเป็นที่อยู่ของพวกแมง ม, มุมทีนี้วัตจักรชีวิตของแมงมุมมันสั้นมันก็พากันตายนับร้อยนับพันรุ่นพอตัวมันตายมันก็ทิ้งใ ย, ยไว้ไม่ได้เอายใยของมันติดตัวไปปลอโลกด้วยฉันจึงไปเจอใยแมงมุมมากมายอย่างที่เธอเห็นนี่แหละเอาละ่ะทีนี้ก็จะตอบคาถามข้อที่หนึ่ง อันนี้มีความสำคัญต่อเธอมากตั้งใจฟังให้ดีเมื่อได้ฟังคำตอบข้อนี้มีความสำคัญต่อเขามากในสมชายจึงตั้งอกตั้งใจฟังเป็นอย่างดีสมภารวัดป่ามะม่วงมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งโลกอยากให้พวกเขาพ้นทุกข์แก้ปัญหาชีวิตอันเป็นทุกข์จรได้ และหากผู้ใดมีบุญบา ร, รมีที่เคยสร้างสมมาแต่ปางก่อนและมาสร้างต่อในชาติปัจจุบันก็สามารถพ้นจากทุกประจําคือชาติชรามรณะได้และจะประสบกับความสุขนิรันตคือการบรรลุนิพพานดังที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสรับรองไว้ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่25หน้าที่42 ว่านิพพานังประมังสุขขังความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มี